เกิดจากการรักษาตัวไม่ดีก็ได้เกิด <g ül> จากโกาครคภัยไข้เจ็บและเกิดจากการวินิจฉัยผิดเคยเข้าใจไหมที่หมอเขาเห็นเอ้ควรตัดทิ้งเพราะงั้นนะสงสัยมีไอเนี้ยเฮยสงสัยจะมีนิ่วในถุงน้ําดีก็ตัดทิ้งไปเอาเพรตัดไปแล้วไม่เห็นมีเลย <g ül> เคยเจอแบบนี้ไหมล่ะนี่ยวิเ จ, จ็บมากเรื่องกองนี่ยนะนะยังไประการแรกคือตี นันดีในะให้สุขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้อาทุกขมาสุขเวทนาก็ได้โอ้โหเห็นไหมดีเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมเนียไอตัวดีนะเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเกิดจากจิตก็จะอุตุเกิดจากอาหารได้สมุทฐานสี่เลยนะในถุงน้ําในในดีทั้งหมดนะ่ะนะในในสายสัมภาระของเขาทั้งหมดนั่นแหละใช่เราก็จะเห็นว่าโอ้โ ถ้าเราพิจารณาที่เราจะเห็นว่าโอ้ดีฮะแล้วเสมหะนั้นการมีเสมหะที่อยู่ในสรีระร่างกายที่เป็นกลุ่มธาตุน้ําทั้งหลายเนะี่ยบางครั้งอนะเสมหะที่อยู่ในร่างกายนะให้สุขเวทนาก็มีถ้าเสมหะกาเริบขึ้นมาเอาให้ทุกไหมคนที่มีเสมหะน้อยนดีหรือไม่ดีไม่ค่อยดีเลยกินอาหารเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันจอไหลทะ ล, ะทะลุทะลวงออกมามากเสมหะมากก็ไม่ดีอีก เดียกก็อ้วกออกมาอยู่นั่นแหะเศรษก็ไหลออกมาเรื่อยไปทุกเวทนาเห็นไหมฉะนั้นเวทนาบางอย่างนี่ดีนี่แหละให้สุขเวทนาก็มีให้ทุกเวทนาก็มีให้อทุกขมาสุขเวทนาให้เบขาเวนะเคยเห็นโทษกั น, กนมีมีเสียมหามไหมล่ะฉะนั้นออกเข้ามาทําปริญญาเขาไปรู้กันเยอะแยะแล้วนะเนี่ยเหลือเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจรณาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของเวทนา เป็นที่ตั้งของทุกข์ทกเป็นที่ตั้งของวิปริณามะทุกเป็นที่ตั้งของสังขาระทุกดีก็เป็นที่ตั้งของทุกข์ทกวิปริณามะทุกแล้วก็สังขาระทุกประการต่อมาก็คือลมเอาจสิลมที่อยู่ภายในนี่นะลมมีกี่ชนิดฮนะลมพัดขึ้นเบื้องบนถ้าพัดเบาๆก็พอวาว่ายังไม่พัดดังๆมาปวดหัวไหมเนี่ยลมพัดลงเบื้องลงต่ํา ใช่ไหมทำให้ถายวิจระไทยปัสวะเป็นต้นหมลมในช่องท้องลมในลําไส้ลมพัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี่นะตามทั่วสรีระแล้วก็ลมให้ใจเข้าออกลมต่างๆเหล่านีนน้บางครั้งก็เป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาบางครั้งก็เป็นปัจจัยเกิดทุกเวทนาบางครั้งก็เป็นปัจจัยเกิดอัตุกรรมสุขเวทนาเห็นไหม ลมหายใจเข้าออกเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานนอกนั้นเกิดจากสี่สมุทฐานเคยมาคิดอย่างนี้ไหเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีโอ้โหนะ ก็อันนั้นเป็นปัปจจัยหนึ่งในแปดปัจจัยในแปดปัจจัยทั้งหที่เกิดจาเหตุปัจจัยทั้งหมดในเรื่องกรรมยังไม่ถึงยังไม่ถึง <c oughs> นั่นกรรมอยู่อีกข้อที่แปดนี่เพิ่งได้ข้อที่สามเองอาการต่อมาก็คือเวทนาเสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็อวขาเวทนาเนี่ยเกิดจากดีสเสลธลมสามอย่างรวมกันเลยเพราะมันมารวมกันมาเบ็ดเสร็จบางทีมันผสมกันแล้วเป็นปัจจัยสุข โอ้ท่านคนนั้นเกิดความสุขมากบางทีก็เป็นปัจจยเกิดทุกข์บางทีก็เป็นปัจจยเกิดเบีขานี่นะประการต่อมาคือเนี่ยลมหรือดูหรือดูร้อนฤดูหนาวหรือดูฝนอันก็เราก็ได้รับกันอยู่ทุกวันนี่แหละตอนนี้ก็คือเนี่ยนะน เ, ยเนี่ยฤดูงั้งอะไรเนี่ยตอนที่เราต้องมาอยู่อย่างนี้ก็เปิดเครื่องทําความเย็นกันเนี่ยนะ ประการที่หกคือการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอเนี่ยบางทีก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้สุขเวทนาให้ทุกขเวทนาให้อุเบขาเวนะอยู่ปตลอดเวลาเลยนะเนี่ยีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็ประการที่เจ็ดก็คือถูกทําร้ายถูกประทุษร้ายจากสิ่งของต่างๆกระทบกระทั่งกับวัตถุต่างๆนี่ข้อที่เจ็ดข้อที่แปด เกิดจากผลกรรมผลกรรมกรรมบางอย่างให้สุขเวทนาะเช่นกุศลกรรมเนี่ยอกุศลกรรมให้สุขเวทนะอาอ้าดูก็แบบให้จักครูประสาทมาดีไหมทีนี้ก็ให้โสตประสาทขานาประสาทชิวหายประสาทให้กายยะประสาทนะั้น โอ้โหเลยตาดีเหลือเกินเนี่ยตอนเนี้ยกุศลกรรมก็ประกาศอยู่ต่อมาก็เอกุศลกรรมก็เริ่มมาเบียดเบียนเลยอ่ามีสองข้างขอสักข้างนี้เรียบร้อยเลยเดียวนี้หายกปสักข้างทุกไหมเดินเรื่องทุกเลยนะนะข้านะข้าวไอ้เลี้ยงข้างนึ่งอ๋อมั ว, ม, วมัวกว่า น, นี้หน่อยว่าไหมเอากุศลกรรมก็เบียดเบียนก็เองอมาตามลํา ด, ดับเลยเดี๋ยวพัดโลกเลยโลก มีตาที่ไหนก็ลก่งจาะที่นั่นนะมีหูที่ไหนก็โล่งจาะที่นั่นมีอาไรละชิ้นไหนบ้างที่เห็นไหมที่จะไม่กรรมจะไม่ให้ผลมันให้ตลอดนะนะมันจะอุปถัมภ์หรือมันกําลังจะเบียดเบียนแต่สรุปแล้วท่านทั้งหลายที่นั่งนัง่งกันอยู่นี่เรียบร้อยไม่มีโดยเล่นงานอยู่แล้วนะนั่ง เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือจะทํากิจอะไรในสื่อจริงๆก็คือมันเล่นงานหมดตอนเนี้อ่ะยงพอพยุงกายทีย่จะฟังก็ทําได้ก็รีบเยนะเข้าน่ะเข้าท่านทั้งหลายจะบน่นรู้อย่างนี้ว่าฟังมาตั้งนานก็ดีแล้วใช่ไหมตอนเนี้ดูโอ้ยงพอจะไปได้นะ่ะเข้าน่ะเข้าเนี่ยต้งผูดพูดพูดฟังน่ะเข้าอ้าวทำไมไม่มาแสดงธรรมไม่ไหวแล้ว เอาคนนั้นหายไปไหนไม่เห็นว่าบางดาวเรียบร้อยไปแล้วเผาแล้วแต่บางคนยังไม่ทันเผาเลยนะนู่นเน่ยมาไม่ได้แต่อ้โหอันนี้ยอนาดแท้ชีวิตเนี่ยก็ขนาดนี้ใช่ไหมชีวิตยังประมาทขนาดนี้บางทีหรือจ่อคิ้วตลอดนี้ยังประมาทขนาดนี้ไม่รู้วิวางไงเลยนี่นในข้านในข้าวจะวไปกันไม่ไหวอยู่แล้วเนะี่ยชีวิตเนี่ย ตอนนี้มันยังพอกระเสกกระสนได้อยู่เนี่ยนะแต่ก็แต่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะประเภทที่ว่าก็แม้อามาเป็นสเตือนใจตอนที่พระเจ้าโกนรพยาตอนที่ว่าพระรัตปารับบอกถท้าคือตอนนั้นทายุ80วันแล้วก็ตอนนั้นเป็นหนุ่มเ น, นี่ยหวัวแข็งแรงนะเพราะงั้นถามว่าตอนป่วยเนี่ย ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นกับพระองค์เนี่ยมีหมู่ญาติญาตินิด ต, ต่างๆท้าราชบริพานาต่างๆมาเยี่ยมเนี่ยถามว่าเขาเหล่านั้นสามารถแบ่งทุกขวเวทนาของพระองค์ไปได้บ้างไหมบอกไม่ได้สักคนเลยขัปปเจ้าต้องรับแต่เียงผู้เดียวใช่ไหมทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแบ่งกันได้ที่ไหนล่ะเอาสมมติเอามารู้จักคนสักร้อยคนใช่ไหมถ้าทุกเวทนาเกิดก็ได้ช่์ไปสักห้าเอซ็นห้าเปอร์เซ็ตเอามาสบายเลยใช่ไหมนได้ที่ไหนล่ะ อันมาก็ท้อรับคนเดียวเพราะเราเป็นทําคนทํากรรมเองเราจะไปพึ่งใครเข้าไหมฉะนั้นอุตสากรรมทั้งหลายที่เราทํามาแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่ได้จังหวะได้โอกาสมันผลิตวิบากแล้วเนี่ยก็ไปนั่งมองๆไม่ใช่สารนะบอกไว้เลยบางคนถ้ามีลูกจะได้มีลูกเป็นดีพึ่งมีสามีมีภรรยามีเพื่อนมีพ่อแม่นจะได้มีเป็นสารณนะไม่ใช่เพราะนั้นไม่ใช่สารณนะ จะปเป็นสาระนาจะอย่างไงี้ยเราคิดผิดกันหมดแล้วเราคิดว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เนี่ยมีรูปเป็นที่คดิ้งย้ําเจ็บป่วยไอ้มามีน้องสาวเขาแต่งงานไอนมาไปแต่งทําไมไรสาละเขาบอกอไอมาไอมาก็ไม่แต่งได้เพาะไอมาเป็นผ้ า, าอ่กนะ้นไอมาบอกไม่เคยไม่เคยดิจะเป็นผ้าหรือเป็นยอมเนถามมาไปแต่งงานไปแต่งทําไมคือไอมาเป็นผ้าก็โทรมา แค่ขันห้ามันจะทกแย่อยู่แล้วใช่ไหมขันห้เน า, ญญ า, นญญาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารมียาเนี่ยห้าขันก็จะเจ็บปวดอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปแบกมาอีกห้าเป็นสิบก็เริ่มบอกว่าเนี่ยคนได้เอามาแล้วบอกว่ า, น ค, น า, า, ววาคนมีสองพวกบัณฑิตกับคนทานถ้าบัณฑิตเนี่ ย, ก, ะะยก็ไม่คิดแบกภาระเยอะหรอกมีแต่คนพาลเท่านั้นที่แบกภาระเนี่ยพูดไปพูดมาทีแรกเขากา็โอ้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ถึงสามสี่เดือน เจอหน้าบอกเขาเรียกอะไรมาลงพี่จริงอย่างลงพี่ว่าต้องจริงเนะเอาแล้วทําไงแต่เนี่ยเอาทบกระทิ้งซะนี่จะมาไม่เห็นยากเลยบอกพูดไงจังเลยเขาบอกแนมะ่ดูท่านพูดอะไรพูดไงแต่มันทุกสมมติมันทุกจะตายแล้วอยู่ไหวไหมอดี๋ยวจะเป็นนุชไหมครัะไม่ค่อยแปลกนะเราเกรงใจมาใช่เขากเกรงใจว่าถูกการกันไหม ขนาดจะมาฟังธรรมยังขอร้องไปขออนุญาตวัตถุกรรขออนุญาตนะกิเลสเนี่ยกิเลสนะเดี๋ยวขอไปฟังธรรมนิดเดียวเธอไม่ทิ้งหรอก <c oughs> อุ้ยทำไมานึกว่าทำไมขนาดนั้นกันมั้ยใช่ไหม <c oughs> ก็จะขออนุญาตนะพวกนี้เธอไม่ทิ้งหรอก <c oughs> ตรงอย่างนั้นท้อปค์นเขาดีๆเดี๋ยวก็โกรธผงไม่ยอมเขาบอกไม่ยอมกันเดี๋ยวกงั้นก็ไม่ยอมก็ไม่เป็นไรงั้ก็ไม่ไปกันได้ก็นั่นโอ้ตายแล้วแล้วอย่างนี้จะพ้นทุกโอ้ลำบากเลยใช่ไหมกับพระพุทธเจ้านี่ค่อยเป็นค่อยไปแต่เรื่องวัตถุกรมกกรมเรื่องกิเลสการมเร็วอวัแสบ นี่ในกรณีนี้เป็นเรื่องดีจริงๆอะมาพูดเนี่ยถ้าเอาไปตื่นไปคิดเนี่ยได้ได้วกนักร้อคิดนะพวกเราติดมาอย่างนั้นจริงๆถ้าเรื่องวัตถุกรรมเนี่ยเราจะอบเงใช่ไหมคือเราสรุปว่าเรามีตัณหาเป็นเพื่อนเราก็เกรงใจเพื่อนถ้าเรามีศรัทธาเป็นเพื่อนเราก็เกรงใจเพื่อนศถาคตถาโพธิศรัทธาใช่ไหมโอ้เกรงใจพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาท่าน ไม่ได้จะให้ซึ่งอรือเป็นใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้าก็ต้องเป็นใหญ่มาหนึ่งเนี่ยนะถ้ามีตัณหาเป็นเพื่อนพจะเจาไว้ก่อนที่เป็นงี้แล้วเวลาจะมาฟังธรรมแต่ละทีนี่ขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกข้ามาแม่ต้องปิดประตูให้ดีเกรงใจเกรงใจกลัววัาถุกกรรมจะเคลื่อนนดูแล้วดูอีกไม่จะหายหรือเปล่านี่ล็อกมันยญย จานหนึ่งออกมาแต่ยังตัวสั่งดนะ้วยเนาะแม่ไปอยู่จะดูแลบ้านในด้วยว่าโอ้โหห่วงขนาดนั้นขนาดนั้นเลยนะนึกบอกว่าเนี่ยังไงเห็นชาติไม่ยมสมานว่าการมีตัณหาเป็นเพื่อนกับสัทวาเป็นเพื่อนคนละมุมแล้วชีวิตของเราเนี่ยมีตัณหาเป็นเพื่อนดีิงๆถ้ามีตัณหาเป็นเพื่อนก็เกิดอยู่ร่ำไปใช่ไหมเพราะตัณหานี่ยมันแตกขึ้นมาแล้วเหมือนเทวันเนี่ยแตกขึ้นแล้ว เราไม่อยอมถอนล่างมันก็ดีมก็โดนเล่นเงี้ยลดขึ้นมาเห็นไหมไหลไปเนี่ยตัณหาสามหกร้อยแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเวทน า, าต้องรู้จักตัณหาเนี่ยเดี๋ยวเรียนเวทนาทาไมก็ต้องรู้เวทนาร้อยแปดเพื่อจะได้ไปดูว่าตัณหาไอตัณหาพันหา 1500, ออ้ามันเกิยัไงใช่ไหกิเลสตพันหา 108, ้าตัณหาร้ยแปดเนี้ยไอตัณหาร้อแปดมันมาอย่างนี้อะเวทนาร้อแปดตัณหาร้อแปดต ถ้ารู้ตะหนถ้ารู้เวทนาหนึ่งการตัณหาร้อยแปดได้ไหมได้ไม่ได้ยมสมัยไม่ได้ต้องรู้เวทนาร้อยแปดจึงจะไปกันตัณหาร้อยแปดได้รู้อย่างเดียวต้องเอามาวิจัยด้วยนะให้เห็นเวทนาเป็นทุกข์เห็นเวทนาไม่เที่ยงให้เวทเวทนาเป็นอนัตตาจริงๆนะมันถึงจะคลายตัณหาได้จริงๆต้องมาวิจัยขนาดนั้นเลยนะ ทำไมต้องมาศึกษาเวทนาะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิด อ, อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบพราะเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชะลามรณะโศกกาลวันนี้เดี๋ยววัตถุกตมณสสาวรียาดินนะนี่ยต้นตอต้องมารู่ต้องเมตใจให้ดีเรื่องเวทนาเนี่ยเพราะต่อไปตัณหาจะได้ไม่กระซิบใช่ไหมต่อไปเราจะได้ไม่พบตัณหาเราจะได้ไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนสอง ใช่ไหมนะก็ต้องมาเรียนรู้ไอ้ตะเวรนาเนี่ยัร้อยแปดังไงนี่จบสูตรนี้แล้วนะอย่าเพิ่งวิจัยมากมเวลาจะค่อยกลับมาวิจัยเดี๋ยวดูสอนสูตรที่สองต่อ <c oughs> เวลามีน้อยทีนี้คว้าสมัยหนึ่งนะเอาลำดับเลยที่จริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงการไล่าตามสูตรต่างๆเนี่ยก็จะต้องไล่เป็น ไ, ไ, ไปตามลำดับแต่พวกเราเป็น เจ็ดวันเรียนดีอเนาะต้องพยายามสรุปให้ได้ใจความเหน่อยก็แล้วกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับนะก็ตรัสเรียกพิกิุทั้งหลายมาแล้วก็ตรัสบอกว่าดูก่อนพิกิตุทั้งหลายเราจะแสดงจะแสดงธรรมะปริยายะก็ น, นี่ในเวทนาสังยุทธเหมือนกันในเวทนาสังยุทธคือพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวเรื่องของให้ศึกษาเรื่องเวทนาที่จริงบางแห่งพระ อ, องค์ก็จะตรัสเรื่องเวทนาเหมือนลูกสอนก็มี หรือตรัสเกี่ยวในเรื่องของเวทนามีหลายอย่างเป็นต้นเหล่นี้นะก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้สาวกของท่านนะ่ะรู้จักเวทนารอบรู้เวทนาเลยนะแล้วก็จะได้ละตัณหาได้เวท น, น, น, นานี่เป็นเวทนานี่เป็นเวทนาขำใช่ไหมเป็นวิบากนะเป็นวิบากถ้าเราดูตามปฏิจจสุบาทเนี่ยเวทนาเนี่ย เวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีนะเวทนาหนึ่งก็มีนะเวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าที่จริงจะไล่ไปสี่ห้าหกนี้ก็ได้นะแล้วแต่จะไล่ไปตามลาดับแต่ในที่นี้ท่านไม่ไล่อย่างนั้นท่านลาไล่ไปตามไปตามว่าเป็นเวทนาที่เป็นแบ่งเป็นสองบางเวทนาที่แบ่งเป็นสามเป็นต้นนะบางเออไม่เจอแล้วนี่นะ เขคือพระพุทธเจ้ า, าแสดงบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายพระพุทธเจ้ า, าแสดงธรรมะเป็นปริยาญาณ น, นะที่จริงปัญหาตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้ า, าแสดงเกี่ยวกับนเรื่องของปัญหาเกี่ยวเรื่องนายช่างไม้อะในปัญจปัญจกังคะสูตรว่าโดยช่างช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะถาปัญหาเดี๋ยวพ่อทายีมุเน่ตามานี้นะึง ก็คือถามบอกว่าครั้งนั้นและช่างไม้ชื่อว่าปัญจา ก, กังค่าเนี่ยเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ไหว้ท่านพระอุทายีแล้วนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ถามท่านพระอุทายีบอกว่าท่านพระอุทายีผู้เจริญพระบรมศ า, ศาสดาตรัสเวทนาไว้เท่าไหร่พระอุทายีก็บอกว่าข็หน้าบดีพระเจ้าแสดงเวทนาไว้สามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาคือหนา้าบดี พระพุทธเจ้าตรัสเวทนาสามอย่างไว้อย่างนี้แล้วเมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วช่างไม้เชื่อว่าปันจากกังฆะได้กล่าวกับท่านอุทายีว่าท่านพระอุทายีผู้เจริญพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเวทนาสามกไวพระพุทธเจ้าตรัสเวทนาสองนี่เถียงกันแล้วยอมบอกว่าเวทนาสองเดี๋ยวพระบอกวเวทนาสองแล้วพวกเราจะบอกเวทนาเท่าไหร่เนี่ยฮะ คือสุขเวทนาและทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอาทุกขมาสุขเวทนาพระพุทธเจ้าตัดไว้ในสุขเวทนาอันสงบและประนีบอกว่าไม่ได้ตัดสามหรอกเวขาเวทนาท่านมาจัดไว้กับสุขเวทนาท่านตัดแค่สองแค่นั้นแหละท่านเดามาจะคิดไหนทําไมไปบอกเวทนาสามใช่ไหมแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองนะแม้ครั้งที่สามเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็บอกว่า ทา่านกคานกันเถียงกันส่วนพระก็บอกว่าพระเจ้าตรัสเวทนาสามโยมก็บอกเวทนาสองก็เถียงกัน น, นก็ก็เถียงกันไปทีนี้บอกว่าโอ้โหเล่นกันอยู่ยกใหญ่เลยนนเนี้ยเนี่ยระหว่างเวทนาสองกับเวทนาสามเนี่ยนะสรุปแล้วใครถูกเนี่ย แล้วก็อแล้วก็ตัดไปตามลำดับแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ไม่สามารถให้ไม่สามารถยอมกันได้สมัยนั้นก็คือท่านพระอนุนเนี่ยนะท่านพระอนุนก็เข้าไปแล้วคําว่าช่างไม้ชื่อปัญจังกังค้าเนี่ยมาจากคาว่าปัญจักกังโคท ป, ปตีนะเป็นชื่อของช่างไม้คือช่างไม้นะปรากฏชื่อว่าปัญจังค้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะประกอบไปได้วยองค์ห้า พวกนายพวกช่างไม้ก็มีอะไรบ้างย้อนสมัยก็รู้ไหมมีมีดนี่หนึ่งแล้วนะแล้วอะไรอีกขวานแล้วอะไรอีกนี่ซิวคอนแล้วอะไรแล้วก็ปุกกระปุกที่สมัยก่อนกระปุกที่ใส่ได้อะ่ะก็จะมีต้องไอะไรมาที่บรรทันนี่เขาเรียกว่าปันจักกังโครหรือปันจักกังโครหรือว่าชื่อว่าปันจักกังฆานี่แหละ แกว่าในช่างไม้ที่ประกอบไปได้วยองค์ห้าไปที่ไหนแกก็จะมีมีด ม, มีขวานมีสิวมีคอ้อแล้วมีกระปุกใส่ได้ด้วย <c oughs> นี่ไปแล้ไปแล้ว <c oughs> ส่วนคําว่าถัปติเนี่ยคือช่างไม้ผู้เป็นหัวหน้า <c oughs> แกเป็นหัวหน้าช่างถ้าสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นนั่นแหละเป็นคนเป็นหัวหน้าเลยนะ <c oughs> เป็นช่างใหญ่คุมการก่อสร้างเลยเข <c oughs> าเรียกวิศกวกร <c oughs> คุมการก่อสร้าง ทีนี้ประการต่อมาท่านกระเถียงเรื่องเวทนาสองกับเวทนาสามก็ทีนี้ท่านพระนนท์ได้ฟังการสนทนาปาศัยของท่านเป้าทายีกับช่างไม้แล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้กราบทูลการสนทนาทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตกาศว่านนช่างไม้ชื่อว่าปันจากการค่าไม่ค่อยตาม ไม่ค่อยตามปริยายมีอยู่เห็นภิกษุนภิกษุอุทายีก็ไม่ค่อยตามปริยายมีอยู่ของเจ้าแมา่สรุปแล้วเต็มคู่ใช่ไหมพุทเจ้าก็เลยบอกว่าอานน์โดยปริยายอย่างหนึ่งนะบอกว่าพุทธเจ้าก็เลยกล่าวบอกว่าเราจะแสดงธรรมปริยายประกอบไปด้วยคือพุทธเจ้าก็บอกว่า โดยปริยาอย่างหนึ่งเรากล่าวเวทนาสองก็มีโดยปริยาอย่างหนึ่งเรากล่าวเวทนาสามก็มีบางครั้งเราก็กล่าวเวทนาห้าบางครั้งเราก็กล่าวเวทนาหกบางครั้งก็กล่าวเวทนาสิบแปดบางครั้งเราก็กล่าวเวทนาสามสิบหกบางครั้งเราก็กล่าวเวทนาร้อยแปดเหแล้วก็ตรัสบอกว่า อนนท์ทํามันแสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้วชนเราได้จักไม่สําคัญตามจักไม่รู้ตามจักไม่บันเทิงตามซึ่งคําที่เรากล่าวดีแล้วเจรจาดีแล้วแก่ ก, กันและการเหตุนั้นจักเป็นอันชนทําให้ชนเหล่านั้นนะ่ะชนเหล่านั้นจะเกิดการบาดหมาง ก, กันทะเลาะกันมิวาดกันทิมแทงกันด้วยหอกหรือปากก็สรุปแล้วก็รู้ว่าเจ้ากระตัสเลยนะดูก่อนบิกสุดทั้งหลายเลยแราวกล่าวเวทนาโดยปริยายสองอย่างก็มีสามอย่างห้าอย่า ง, ห, าางหกอย่างสิบแปด สามสิบหกและร้อยแปดดูก่อนพิกษุทั้งหลายเวทนาสองอย่างคือยังไงคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจนี่เรียกว่าเวทนาสองใช่ไหมเวทนาสามอย่างก็มีคือสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็อทุกขมาสุขเวทนานี่เรียกว่าเวทนาสามเวทนาห้ามีไหม เวทนาห้ากล่าวตามอินทรีย์คือสุขขินซีทุกขินซีโสมนัมนสนขินซีโทมนัสขินซีอุเบกขินซีนี้เรียกว่าเวทนาห้าเวทนาหกเลยไหมเนี่ยที่จริงกล่าวเวทนาหกก็มีนะเวทนาหกก็มีเวทนาหกกล่าวยังไงเวทนาหกกล่าไวา 6, 9, าไห เวทนาจริงๆเรียงเป็นสิบแปดท่านแหละเวทนาหคือจักขู่สมปัสชาเวทนาโสตสมบั ส, ช า, าาสชาเวทนากนะ็ไล่ไปจนถึงมโนสมปัสชาเวทนาไงทีนี้เวทนาสิบแปดนะสมนัตรูปวิจารโทมนัตรูปวิจารอุเปบคารูปวิจารอย่างละหนี่นะรวมเป็นเวทนาสิบแปดบางครั้งก็กล่าวเวทนาสามสิบหกก็มี สมณัตเวทนาอาศัยเรือนสมณัตอาศัยเนคขมะโทมณัตอาศัยเรือนโทมนัติอา minimum, utan, ศัยเนคขมะอุเบกขาเวทนาหกอาศัยเรือนอุเบกขาเวทนาหกอาศัยเนคขมะรวมเบเ็เป็นสามสิบกเนาะทั omon, ladder, Lux, applause, ้งเวทนาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหกใช่ไหมอาศัยเรือนซะหกอาศัยเนคขมะซะหกโทมณัตก็อาศัยเรือนหกอาศัยเนกขไม้หก เวขาก็ใส่เรือนอี่หก 6, อาศัยเอนอกขมายหกรวมเป็นรวมเป็นสามหกไหมนั่นแหละสามสิบหกอ่ะในสามสิบหกนั้นเวทนาที่เป็นอดีตมีไหมเวทนาที่เป็นอนาคตมีไหมเวทนาที่เป็นปัจจุบันมีไหมอย่างละสามสิบหกสามสิหกสามก็เป็น108ปร้อยแปดพอดีเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าเวทนาเวทนาทั้งหมดในร้อยแปดนี่เป็นสัจจะละ เป็นทุกขสัจจะเป็นทุกขสัจจะนะเนี่ยพระพุทธเจ้าแจกแจงทุกให้ดูแลทุกร้อยแปดเข้าใจยางเดี๋ยวตรงนี้ท่านจะไปแจกแจงในรายละเอียดนะเวลาไปเรียนเวทนาเนี่ยเดี๋ยวเวทนาสาเรือนอยังไงเวทนาสายเนกขมายัางไงแต่นี้มาแจกแจงรายละเอียดไว้ก่อนที่จริงอาศัยเรือนในที่นั้นเป็นเชื่องการอาศัยกรรมคุณ อาศัยความยินดีเพื่อผินเขาเรียกวทนานาสายเรือนจะเป็นไหมเอายินดีทัำเพราะเกิดสุขเวทนาโดยทำตาแล้วก็เกิดราคาทุศักดิ e id, ์ก็เกิดเกิดความกำหนัดยินดีเพื่อผืนจะเป็นไหมทั้งทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจนี่เขาเรียกวทยานาสายเรือนสุขเวทนาได้ไหม <im it> แล้วเกิดความสุขจากการอาศัยกรรมคุญยีไ่ไหม <im it> แล้วเคยเกิดความทุกข์จากการอาศัยกรรมคุญไหมโอ้โหเจ็บปวดแล้วเฉย การอาศัยกรรมคุณนั้นมาหกครั้งเลยเห็นไหมนั้นการอาศัยกรรมคุณเนี่ยเป็นไปหกก็ได้ทั้งแล้วก็ทุกเวทนาก็ได้หกเวขาเวทนาก็ได้หก 6. นนในส่วนของเวอเวทนาที่อาศัยเรือในปลาเข้าไปเท่าไหร่เลยเนี่ยหกสามสิบแปดแล้วสายเนคขมมะไม่ค่อยเกิดเลยพอได้อาศัยเวทนาต่างๆแล้วเนี้สุขเวทนาก็เกิดขึ้นามีจิตน้อมออกจากกล้าบ้างไห บอกว่มันสุขมากเกินไปในเรื่องกามคุณทํทำให้เราติดอยาขนาดเลยน้อมออกจากรูปเฯฯปปสียงกลิ่นรสสัมผัสดีกว่าเคยคิดไหมล่ะต้องห ไ, ไหวเรามาเพลิดเพลิน อ, อยู่อย่างนี้ไม่ได้พระโพธิสัตว์เห็นหมท่านอาศัยกามคุคเกิดสมนะเพเกิดสมณะท่านน้อมออก ห, อหรือบางคนเห็นไทุกขเวทนาสายเรือนนัะน ก็หมายความว่าโอ้โเจ็บปวดเอาเนี๋ยวนางนางปตตาจลาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเจ็บปวดมากจากการที่จะต้องมีลูกมีสามีเรื่องๆันันจากมีพ่อมีพี่ชายมีทรับที่นั่นแหะทุกเวทนาสายเรือนต่อมาท่านก็มาอาศัยเนกขมารได้เงี้ยกล่าไว้เนี่ยแต่มาจันี้์่ีทุกเวทุกเวทนาสายเรือนบางคนก็เฉย ทุกเวทนาสายเรือนไม่เครู้เรื่องอะไรหนึก็ อ, อยู่นีถามเป็นยังไงอ่ามีบ้านแล้วมีความสุขนีไหมเฉยๆแต่ไม่รู้เรื่องนะนี่ก็เรียกวุ่นเวาเวทนาสายเรือนก็ดีเหมือนกันเคยเป็นไหมนี่แหละในชีวิตเราก็เป็นไปอย่างนี้แหละนี่ก็เรียกาอาศัยเรือน ส, สุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนา ท่านเนคขม้าก็กลุ่มในร้านของสุขเวทนาที่อาศัยเนคขม้าเออบางคนเนี่ยเขาเห็นเห็นคนอื่นประพฤตปฏิบัติแล้วก็ได้สุขโสมนะจากการประพฤปฏิบัติก็น้อมน้อมกราบทนาตรงนั้นหรือมงคเนียเนคขม้าจริงๆเนี่ยท่านมีหลายชื่อปฐมฌานก็เรียกเนคขม้าเป็นต้นอะไรเนี่ยนะจนถึงนั่นแหละมั่งอันนั้นเดี๋ยวคอยไปแจง้งรายละเอียดอันนี้นี่คือแยกให้เห็นก่อนนี่ร้อยแปดให้สังเกตดูนะว่าเมื่อเรารู้เวทนาทั้งหมดแล้วเนี้ย เวลาไปศึกษาเวทนาเราละเอียดลึกซึ้งในเวทนาแต่ต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ทีนี้ประการต่อมาคือว่าอีกสูตรหนึ่งท่านพูดถึงในว่าสมัยหนึ่งนะมีภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปฟ้องพระเจ้าถึงที่ประทับไปถามบอกว่าเวทนาเป็นอย่างไรนี่ถามลักษณะรักษาประยียประธานประธันฐานตัวเวทนาเอาอะไรแบบนี้ไปเจาะเลยว่าก็ อ, อยากจะรู้เวทนาลักษณะของสุขเวทนาทุกเวทนาทุกกมสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นไงไปถามเลย ใช่ไหมอยากจะรู้ลักษณะของเวทนาเอาเวทนาเป็นขันขันหนึ่งใช่ไหมเป็นตัวสังสารวัตรไหมเป็นตัวทุกเลยไหมเป็นตัวทุกเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรายังกอดแน่นอยู่กับเวทนายังติดอยู่กับเวทนาเราพ้นทุกได้ไหมยินดีในเวทนาพ้นทุกได้ไหมไม่ได้เลยนะนั่นเพราะเวทนาเป็นตัววัตถ์เป็นคุกไหมเป็นคุบในสังสารวัตรเนี่ยที่ก็กําลังสืบต่อเป็นไปอยู่ระหว่าง สุขเวทนาทุกเวทนาและเวขาเวทนาเนี่ยเราปรารถนาเวทนาเลยปราถนาเวทนาอะไรสุขเวทนาใช่ไหมแล้วถ้าเราตั้งจิตว่าเราจะปรารถนาสุขเวทนาเราจะพ้นทุกข์ได้ไหมต้องปรารถนาเวทนาอะไรถึงจะพ้นทุกข์ได้ต้องปรารถนาเวทนาอะไรต้องปรารถนาเวทนาอะไรจึงจะพ้นทุกข์ได้ต้องปรารถนาการพ้นจากเวทนาถึงจะพ้นทุกข์ได้ใช่ไหม ถ้าเรายังปรารถนาที่จะอยู่กับเวทนาจะกอดกับเวทนาหรือจะปรารถนาซึ่งเวทนาสังเกตด้วยนะเวทนาในกามกามภูมิเกวตเวทนาในรูปภูมิเวทนาในรูปภูมินั่มันใช่สารณาที่ไหนเราไม่มีสิ่งที่มันปรารถนาเลยเวทนาในทานกุศลสิ่งกุศลภาวนากุศลเวทนาในปฐมฌานตุติฌานตติฌานจตุติฌานเวทนาในรูปฌาน แม้เวทนาในอริยมรรคยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องควนตั้งปัจจนาเลยใช่ไหมปัจถนาได้ไงขันปรารถนาขันยินดีในขันเพลิดเพลินในขันก็คือยินดีในทุกปรารถนาเวทนาก็ปราถนาทุก์ยินดีในเวทนาก็ยินดีทุกเพลิดเพลินในเวทนาก็คือเพลิดเพลินทุกติดใจในเวทนาคือติดใจทุกใช่ไหม เวทนาเนี่ยท่านไม่ให้ปรารถนาท่านปรารถนาการดับเวทนาสภาวะที่ดับเวทนาก็คือสภาวะของอนุปาทาบริมิภา น, นั้นการทําบุญทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะทุกความคิดที่เกิดขึ้นก็ใหปรารถนาการดับเวทนาไม่ได้ปรารถนาให้มีเวทนาเอานี่นะบ่อยทําธุรกิจทางนี้ขอขอให้สมมตินะ เราขายของวันเนี้ยหรือเดือนนี้ขอให้เราขายของให้ดีๆหน่อยเถอะที่ปาถนาละ่ะปอนะเวทนาปาณาสุกเวทนาไอเวทนามเที่ยงไหมเนะี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดากวรหรือยิ่งตามเห็นสิ่งนั้นว่าเราว่าของเราไม่ควรเลยใช่ไหม เราไปปรารถนาบอกยิ่าเดือนหน้าเงินเดือนขึ้นหน่อยเข้าไหมนี่การนี้มันพอใช้เลยเดือนหน้าขึ้นตั้หน่อยนี่ปรารถนาเวทนาปรารถนาสุขเวทนาต้องปรารถนาดับเวทนาต้องปรารถนาการดับเวทนาหรือสภาวะที่ดับเวทนาหรอกตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงเวทนาสามเลยสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนานี่เราเรียกว่าเวทนา ที่จริงในสูตรเนี่ยท่านกล่าวอย่างนี้โดยลักษณะนั้นต้องจะต้องไปรอบรู้เรียนรู้เวทนาทั้งสองลักษณะเรียนทั้งปัจจิตต์ลักษณะของเวทนานะคือสภาวะของเวทนาที่มีการเสเวยอารมณ์เป็นลักษณะเป็นต้นและสุขเวทนาเสเวยยังไงทุกขเวทนาเสวยยังไงทุกขมสุขเวทนาเสเวยอย่างไรเวทนาทางกายเวทนาทางใจเสวยอารมณ์ยังไงเป็นต้นอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นลักษณะกิจของเวทนาเป็นอย่างไร อาการปรากฏของเวทนาอย่างไรใช่ไหมแล้วก็เหตุใกล้ของเวทนาคือภาษานี่เป็นยังไงเหตุใกล้เหตุไกลของเวทนาต้องรู้เวทนามีมีภาษาเป็นเหตุใกล้เนี่ยวิชาตัหากรรมเป็นเหตุไกลอย่างเงี้ยต้องเข้าใจต้องเชื่อมโยงกันได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าเรียนรู้ปัจจัยของตัวเวทนาด้วยและทั้งปัจจัยของเวทนาด้วยถ้าไม่รู้ขนาดนั้นเราจะไปเล่า เราจะละฉันทะคือความยินดีเพื่อเพื่อในเวทนาได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าผัสสะนี่คือเหตุเกิดของเวทนาและอะไรล่ะเป็นเหตุเกิดของเวทนาอี่ตัณหาใช่ไหมตัณหาเป็นสมุทัยของเวทนาตัณหาบวกกม ถามว่าตัณหาเนี่ยตัณหาที่เป็นเหตุของเวทนาที่เป็นสมุทัยสัจจาของเวทนาเนี่ยนะให้สังเกต ด, ดูนะว่าตัวตัณหาเนี่ยเขาเกิดร่วมกันกับกุศลกรรมก็ไนดะ้เกิดร่วมกับกุศลกรรมก็ได้ในอดีตเนี่ยนะนั้นตัณหาเก่าก่อนในอดีตนั้นนะเขาเกิดร่วมกับกุศลกรรมเรื่องกุศลกรรมแล้วมีวิชาที่ปิดกั้นมืดบอดทําให้เขาปราดทันะ้งหนาเวทนะเวทนาที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยตัณหาเป็นผู้มอบให้ นี่ไงเพื่อนมอบให้เราเพื่อนบวกกระกรรมก็มอบให้เอาไปเอาสุขเวทนาไปทุกขเวทนาไปแล้วก็เบีขาเวทนาไปและประการต่อมาก็คืออริยมรรคในองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตัสัมมาชีวสัมมาวายมัสัมมาสติและสมาสมาธิก็คือว่าความเห็นชอบความดํารีชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียนชอบระลึกชอบแล้วตั้งใจชอบมั่นชอบเนี้ยนะั อันนี้เป็นหนทางที่จะให้เข้าถึงความดับของเวทนาแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าคุณของเวทนาคือสุขเนาะสมัะบังเกิดขึ้นเพราะสายเวทนาอันเป็นคุณสุขสมัะหรืออาาัตาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของเวทนาทั้งหมดนั้นดือคุณของเวทนาที่เราได้และโทษของเวทนาหนละสุขสเวทนาเหล่านั้นสมณะเวทนาเหล่านั้น หรืออัศาธาความยินดีความเพลิดเพลินความยึดติดในเวทน า, าเหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ใช่ไหมมีความแปลป่วนมีความดับไปคลายไปสลายไปเป็นต้นอ น, นั้นเป็นโทษของเวทน า, าการสำลกักการกําจัดฉันทราคะและการลักฉันทาคะในเวทน า, าเหล่านั้นนั่นเป็นความสลัดออกนั่นเป็นนิสรณะของเวทน า, าสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่ารู้เหตุเกิดเนาะของรู้เวทนา เหตุเกิดของเวทนารู้ความดับของเวทนาเนาะรู้ปฏิปทาให้เข้าถึงความดับของเวทนารู้อาัศาธาคือคุณของเวทนารู้อาทีนวะคือโทษของเวทนาแล้วก็รู้นิสรณะคือการสลักออกของเวทนาเหล่านั้นเอาใครถามอะไรก่อนดีถ้าไม่ถามอะไรเบรกกันทั้งคู่